ฝืนฝนฉันคงนึกคำต่อคำสัญญาฝนล่นเทุ่งมาสายลงพัดภายิ่งร้อนร้อนใจในวัวไปแล้วหลับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว ทิ้งให้รอทุกทนเท่าไหร่คนอย่างนี้ก็มีฝนจะจงไหลกลับไปรอรับคนผิดสัญญาฝนคอยส่มน้ำหน้าอย่าเพิ่งตกหน้าค่าสลาย แคบตาใช่ไหมรู้เหงื่ไม่คิดว่าใคร หลงเมือนกลุงทั้งยาวทั้งใหญ่จางก็หาไม่เจอหลงเมือนกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่จางก็หาไม่เจอ i r r y